เออนี่วิวิจัยแปลวิวปัสนาเดินแล้วเพรวิปัสนาเดินแล้วนะั่นแหละอริยสัจก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็มีนิสสนาเวกเป็นอัธยาเป็นอัชชาสยะไอ้นี้ต่างหากนี่แปลวิปัสนาที่เป็นตทังขะปะหารเดินและมีพระณิพานเป็นอัธยาศัยอยู่และเมื่อตะทังขะปะหารเนี่ยเดินอย่างต่อนเนื่องเมื่อเดินเดินตทังขะปะหารแล้วเกิดความรู้สึกว่า ใจมันเริ่มจะฟุง้งท่านก็ถอยกลับเข้ามาวิค้ำพระนประหารไปเห็นคุณของพระพุทธเจ้าหไหมท่านจะเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเลยไม่ห่างกันเลยนะเชื่อมโยงว่าสงบนิ่งในคุณของพระพุทธเจ้าเกิดความปลาโมดปีติปสัสสิทธิเกิดความสุขในการน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเสร็จถอยออกจากการระลึกถึงคุณมาวิจัยอริยสัจโตก็คือวิจัยทุกสัตว์เชื่อมโยงเลยมีตัณหาใช่ไหมน้อมกหานยิโรดวิจัยจนชัดเจนไปเรนะื่อยๆจนเป็นตรังค์รับอวิเบกเป็นไปตามลําดับ หรือต่ทางกับอาหารเป็นไปตามจากอนุสติที่เป็นพุทธา น, นุสติน้อมก็หาวิปาาัสนาญาณจากวิปัสนาญาณเป็นไปตามลาดับเมื่อวิปัสนาญาณเข้าถึงความเริ่มจะงอนเงนคอนแคนก็ถอยออกจากวิปาาัสนาญาณน้อมก็หานวิคัมพนะมีพุทธคุณเป็นอารมณ์เห็นมะท่านทําอย่างนี้แล้วก็กระตุ้นกันเป็นไปตามลำดับในสุดจริงๆด้วยการระลึกแต่ทางกับอาหารไปจนเป็นอัธยาศัยแล้วเหตุสมควรแก่ผลผลสมควรแก่เหตุเป็นเสร็จแล้ว ทั้งตลอดเป็นมารกษัตริย์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้เป็นสมุเชทบหันแล้วก็ละความลุ่มหลงในปรมัตและบัญญัติได้โดยสิ้นเชิงสัมมาสัมพุโทโธชัดเป็นโล ก, กุตระสารณาคมเกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านบรรลุเลยนี่มันไปอย่างนี้วิปัสสนาของพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะเออเป็นไปรักษาอย่างนี้แต่ปัจจุบันไม่ว่ากัน คุณจะว่าไปตามความเข้าใจคุณก็ว่าไปแต่ถ้าตามคําสอนของผู้เจ้าเดินอย่างนี้ท่านเดินอย่างนี้ออันตราเคยไปสอบถามหลายหลายคนเคยเดินอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีใครเดินเพื่อจะคุณเชื่อมโยงวิปัสสนาอย่างนี้เลยแล้วก็แม้นไปที่เนี่ยก็ยังไม่ได้วิจัยลึกลงอย่างนี้เลยใช่ไหมลงไม่ถึง ท, ทันทีพยายามจะลงหลายครั้ง ผู้ฟังไม่เป็นด้วยแหมรู้สึกว่ายังไงของขึ้นคําว่าของขึ้นในที่นั้นหมายความว่าไม่รงได้ทําังไงดีนะกลับมานอนอาวางแผนใหม่ก็ไปใหม่น้อมออกจะเอาอันนั้นบ้างจะเอานี้บ้างอะไรมาเป๋ไปเลยตอนนี้ก็เหลือตาลายก็ไม่เป็นไรงวดนี้ได้แค่นี้ก็บุญเนึกไปใหม่ถ้าไม่ตายนะแต่ตายแลก็ว่าไปใช่ไหมแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็เอา จะพยายามเดินคําสอนของพระพุทธเจ้าพยายามจะเชื่อมบุคคลผู้ฟังทั้งหลายที่ตั้งใจเขา้าไว้ให้ถึงพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อวันใดวันหนึ่งถึงอาตมาก็หมดพลังแล้วมาก็นีแต่ไม่ไดนะ้ถึงแบบล็กวิต้านนะถึงแบบล็อกญาณนะถ้าเราก็จะล่าไม่ไหวเพราะหกจิตโจเพระห ก, กจจรณีโยใช่ไหมจิตมากเล่ า, ลา ม, มากอาตมาก็มีกลิ่นอาตมาดิใช่ไหมในการที่ต้องทํา แต่ก็ขอให้ทุกคนพอจะมีแนวทางพระธรรมของพุทธเจ้าในแนวทางนี้นะแนวทางทางที่ถูกต้องตามพระธรรมคําสอนเบ็ดเสร็จเนี่ยสามารถลงลึกได้ในรายละเอียดอันมาพอใจแล้วถึงไม่งั้นก็บันทึกบันทึ ก, ทกอะไรเข้าไว้บ้างอะไร บ, บ้างต่างๆไปเสร็จแล้วก็เพื่อปัจชิมาเชนาตาชนนะเพราะว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านก็วางแบบไว้ดีแล้วนะท่านวางแบบไว้ดีแล้วในยุค ข, ของท่านนะพอถึงในยุค ข, ของเราเราก็นีความสามารถได้แค่นี้นะ ก็วางแบบเป็นเขาไว้เพื่อจะเป็นปัจจัยแก่บุคลรุ่นหลังได้สดับรับฟังนี่ไหมหรือได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นแสงเทียนเล็กๆน้อยๆในอยู่ในถ้าที่ลึกที่สุดเดียวนะก็ไม่เป็นไรจะไมยอมจะรีน่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใครอาจจะพุ๊บก็ไม่ได้ทานี่ก็ได้ก็มองเห็นอ๋อมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเพราะงั้นก็ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนี่ว่าจะดับไปแล้วลมพัดหลายครั้งใช่ไหมอ๋อยังมีอยู่เพางั้นยังมีอยู่ ก็ก็ยังมีให้ให้เห็นอยู่นะก็ก็ไปใครควรอย่างนี้นั้นถ้าหากว่าพิจารณาในรักหนึ่งนี้ว่าจุดไหนใช่ไหมอาะคุณช่ำชองสายเนะี่ยจักรสรรดิคุณช่ำชองก็เดินวิปัสสนาสา ย, จ, าสายจักรพประสาี่เข้าเข้าใจว่าเดินพุทธคุณด้วยและเชื่อมโยงวิปัสสนาญาณด้วยเมื่อเชื่อมโยงวิววิปัสสนาญาณแล้วมักยังไงผลยังไงปัจจุเอ๋ยยังไงก็ไล่ไปทําำตรงนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนะอันนี้ก็แปลว่านี่นเดินสายคุณจักรพรรดิ ถ้าเดินสายของสซตตถวานก็ก็ไปว่ากันในในมุมเนี้ยเพราะสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีอัธยาศายต่างต่างจริงๆเนแต่อย่างเราท่านทั้งหลายก็วิจัยครบวิจัยครบกว่าจะครบก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนี่นะแต่ว่าถ้าครบได้ท่านทั้งหลายพุทธคุณจะชัดเจนพุทธคุณจะฝังแน่นในใจที่ท่านทั้งหลายบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เราจเจริญพุทธคุณไม่ได้เพราะไม่วิจัยเพราะไม่เชื่อมโยงอย่างนี้ ถ้าเชื่อมโยงอย่างนี้ยป่านนี้พุทธคุณฝังแน่น่นอัธยาศัยแล้วเป็นอัธยาศัยจริงๆเมื่ถ้าไปนั่งวิจัยอย่างนี้จริงๆหน่อยและลึกจริงๆอ๋อใหม่ๆสาธยาจนคล่องวันเนี้ยไม่ชัดให้รู้ไปถ้าไม่ชัดช่วยอธิบายหน่อยมีคนอธิบายต่อเราเยอะเราอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นว่าโอ้เป็นเช่นนี้จริงๆเนี่ยนี่คุณของพระผู้มีพระเจ้าอันนี้สติปัฏฐานนี่างสอนสติปัฏฐานใช่ไหม เอาเปะหรือไม่เป็นเนี่ยสติปัฏฐานเลยเนี่ยกายานุปัสนาสติปัฏฐานได้เนอะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ผ่านพทุทธคุณเอาสิโอวิจิตมากพระธรรมของพระเจ้าไหมพิกษุพิจารณาเห็นกายในกายไหมภายในเนี่ยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอวิชาและโธมนัตในโลกเอาสิลงมาวิจัยที่ยุ่ไม่ได้โอจากครูศาสตร์เป็นรูปขันเอา ส, อาสิสติที่ไปพิจารณาหไหม เป็นสัมมาสติอะไรสิที่ไประลึกถึงคุณของพระเจ้าวิริยะคือเพียรพยายามไม่สติหลุดจากการวิจัยโอ้โหแม่เป็นสัมมาวายามะปัญญาที่ไปวิจัยแค่แกะดูสัมมาสัมพุท ธ, ธานี่เป็นปัญญาเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแล้วก็มีองค์มรรคอื่นเข้าเสริมเข้าร่วมอีกมากมายเลยเนี่ยตอนนี้ศิษขาสามกำลังเดินไปอยู่ในการทํากิจในการวิจัยอริยสัจ เพื่อเห็นสัมมาสัมพุโทโธด้วยความเป็นผู้ทานุสติก่อนอันนี้เป็นเป็นวิคัมพนะวิเวกและเป็นวิคัมพนะวิเวกที่มีนิสระวิเวกเป็นอัจฉริยะด้วยใหม่น่าชื่นใจมากใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นิสรณะเออไม่ใช่วิคัมพนะวิเวกเหมือนกลุ่มบุคคลทั่วๆไปเนี่ยลักษณะนี้ขลังน้อมมีพระนิพพานโดยอัจฉาสายิย เมื่อลึกซึ้งในคําว่าสัมมาสัมพุโทโธจนเกิดปลาโมดปีติปสัสสติจนเกิดความทราบซึ้งในคําว่าพุทธคุณแล้วท่านเหล่านั้นก็เชื่อในปัญญาการตัดสู้ดีของพระผู้มีภาคโอ้สัตทินทรีย์มั่นคงมากวิจัยพระเจ้าตัดสดู้ไรหนอะตัดสูด้อริยสัตว์แล้วอริยสัตว์คืออะไรละ่ะเอานี่คือจักขูนี่แหละเป็นธรรมที่ควรรอบรู้จักขูสมุทรไทยนี่เป็นธรรมที่ควรละ จากขุนีโรดเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งจากขุนีโรตคามินีปฏิปทาเป็นธรรมที่ควรดําเนินโอ้โ oh, ห oh, ต่านี้เอาละข้าพเจ้าจะกกําหนดรอบรูโทกษศาสตร์กล่าวคือสมุทรคือจักรภศาสตร์นี่แหละแล้วก็จะเชื่อมโยงเห็นสมุทรไทยคือตันหาบวกกรรมบวกอวิชานี่แหละในอดีตและตลอดถึงอาหารทั้งหลายในปัจจุบันพบที่เป็นปัจจัยเก่กับจักรภศาสตร์กิดนี่นอะ ที่หล่อเลี้ยงตาทั้งหลายพวกวิตามินทั้งหลายที่ผ่านผักผ่านผลไม้ทั้งหลายนี่แหละที่เข้าไปหล่อเลี้ยงลูกตาทั้งหลายนี่นี่ยทให้ตาเนี่ยแจ่มใสชัดเจนเบต้าเหล่านี้แล้วก็ความเกิดขึ้นของจักรคุป萨าาแต่ละขณะแต่ละขณะทั้งหลา ย, ยตั้งแต่ขณะแรกมาจานถึงปัจจุบันและมีการเสื่อมสิ้นดับไปเนี่ยถามว่าเอออวิชาดับตัณหาดับกรรมดับใช่ไหมอาหารดับแล้วก็นิพัทธ ลักษณะคือลักษณะาการดับไปของจากกุปษศาสตร์ได้ด้วยอาตมักเมื่อไรแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องไม่มีตามาบริหารอีกต่อไปไม่ต้องมาเจ็บปว่วยอีกต่อไปอย่างไรเนะเราะพอเข้าใจอย่างนี้โอ้โหที่นชัดเจนลเลยนีย่ต่อไปก็จะเหลือที่ปัจนาเพราะเข้าใจคําว่าสมมาสมุโทโธแล้วแล้วก็จะเชื่อมโยงเห็นโดยปัจจัยยังไงเห็นโดยขณะยังไงสัน ต, ติขณะยังไงนะเชื่อมโยงลงสู่ขณะ ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วประณีตใกล้ๆยังไงตันหาไม่อาศัยตาเป็นยังไงนะก็เข้าใจพอรอบรู้ในลักษณะนี้เรียกวิวปัสสนาญาณเดินแล้วเมื่อวิปัสสนาเดินถามว่าเราจะเล่งอะไรจะเนี้ยถ้าเข้าใจแล้วจะเล่งอะไรเราจะเล่งบรรลุวัณนิบานมันจะรู้ของมันเองเห็น ไ, ไหมคําว่ารู้ในที่นั้นแปล